ข้อ213หน้าหนึ่งส่ความไม่ฟุง้งซ่านคือเอกคตาจิต ด, ด, ด้วยสามารถแห่งความไม่พยาบาทด้วยสามารถแห่งอโลกะสัญญาด้วยสามารถแห่งความไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถแห่งการกําหนดธรรมด้วยสามารถแห่งยานด้วยสามารถแห่งความปราโมท ด, ด้วยสามารถแห่งปฐมฌานด้วยสามารถ แห่งทุติยชาตด้วยสามารถแห่งตัตยชาตด้วยสามารถแห่งจตุทชาตด้วยสามารถแห่งอากาสานัญญายตนะสมาบัติด้วยสามารถแห่งวิญญาณัญจายตนะสมาบัติด้วยสามารถแห่งอากินจัญญายตนะสมาบัติด้วยสามารถแห่งเนวะสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติด้วยสามารถแห่งปัทวีกสิน ด้วยสามารถแห่งอาโปกะสินด้วยสามารถแห่งเตโชกะสินด้วยสามารถแห่งวาโยกสินด้วยสามารถแห่งนีละกสินด้วยสามารถแห่งปีตะกะสินด้วยสามารถแห่งโลหิตตะกะสินด้วยสามารถแห่งโอทาตะกะสินด้วยสามารถแห่งอากาศะกะสิน ด้วยสามารถแห่งวิญญาณคัศิลป์ด้วยสามารถแห่งพุทธานุสติด้วยสามารถแห่งธรรมานุสติด้วยสามารถแห่งสังขานุสติด้วยสามารถแห่งศีลานุสติด้วยสามารถแห่งจาคานุสติด้วยสามารถแห่งเทวานุสติด้วยสามารถแห่งอาณาปานสติ ด้วยสามารถแห่งมรณสติด้วยสามารถแห่งกายะคตาสติด้วยสามารถแห่งอุปสมานุสติด้วยสามารถแห่งอุทุมาตกะสัญญาด้วยสามารถแห่งวินีลกะสัญญาด้วยสามารถแห่งวิปุภะกะสัญญาด้วยสามารถแห่งวิจิตทกะสัญญาด้วยสามารถแ่ง วิกขายิตกะสัญญาด้วยสามารถแห่งวิกขิตกะสัญญาด้วยสามารถแห่งหัตะวิกขิตกะสัญญาด้วยสามารถแห่งโลหิตกะสัญญาด้วยสามารถแห่งปุรุวะกะสัญญาด้วยสามารถแห่งอัติกะสัญญาด้วยสามารถแห่งการหายใจเข้ายาวด้วยสามารถ แห่งการหายใจออกยาวด้วยสามารถแห่งการหายใจเข้าสั้นด้วยสามารถแห่งการหายใจออกสั้นด้วยสามารถแห่งความเป็นผู้รู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจเข้าด้วยสามารถแห่งความเป็นผู้รู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจออกด้วยสามารถแห่งความระงับกายสังขารหายใจเข้าด้วยสามารถ แห่งการรงกายสังขารหายใจออกด้วยสามารถแห่งความรู้แจ้งปีติหายใจเข้าด้วยสามารถแห่งความรู้แจ้งปีติหายใจออกด้วยสามารถแห่งความรู้แจ้งสุขหายใจเข้าด้วยสามารถแห่งความรู้แจ้งสุขหายใจออกด้วยสามารถแห่งความรู้แจ้งจิตตะสังขารหายใจเข้าด้วยสามารถ แห่งความรู้แจ้งจิตตะสังขารหายใจออกด้วยสามารถแห่งความระงับจิตตะสังขารหายใจเข้าด้วยสามารถแห่งความระงับจิตตะสังขารหายใจออกด้วยสามารถแห่งการรู้แจ้งจิตหายใจเข้าด้วยสามารถแห่งความรู้แจ้งจิตหายใจออกด้วยสามารถแห่งความทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้า ด้วยสามารถแห่งความทำจิตให้บันเทิงหายใจออกด้วยสามารถแห่งความตั้งจิตไว้หายใจเขา้าด้วยสามารถแห่งความตั้งจิตไว้หายใจออกด้วยสามารถแห่งความเปรื่องจิตหายใจเข้าด้วยสามารถแห่งความเปรื่องจิตหายใจออกด้วยสามารถแห่งการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้า ด้วยสามารถแห่งการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจออกด้วยสามารถแห่งการพิจารณาเห็นความคลายกําหนัดหายใจเข้าด้วยสามารถแห่งการพิจารณาเห็นความคลายกําหนัดหายใจออกด้วยสามารถแห่งการพิจารณาเห็นความดับหายใจเข้าด้วยสามารถแห่งการพิจารณาเห็นความดับหายใจออก ด้วยสามารถแห่งการพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าด้วยสามารถแห่งการพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกแต่และอย่างเป็นสมาธิญานย่อมเกิดขึ้นด้วยสามารถแห่งสมาธินั้นอาสวะทั้งหลายย่อมสิ้นไปด้วยญานนั้นเป็นอันว่าสมถะมีก่อนญานมีภายหลัง ความสิ้นปลายแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมมีได้ด้วยยานนั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการตัดอาสวะขาดเพราะความลิกจุดแห่งสมาธิอันเป็นเหตุไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอนานตลิกะสมาธิยาน